ตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พุทธวัจนะวันนี้เราก็มารับอาหารเช้าอาหารใจ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 ไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราดูลงไปที่ใจเราเลยเนี่ยดูในอาการของมันที่มันกาลังอยากเต้นเล่าๆอยู่ในจิตใจอยากได้เรื้อเกิเนี่ยไอสิ่งเนี้ยกัของเครื่องใช้อยากได้เรือเกิ น, น, ย อ, น อ, อ, อยากจะไปหาไปซื้อมาหรือแม้กรทั่งอาหารที่เราอยากที่เราชอบต้องรู้ให้ทันมันไม่ต้องไปห้ามแร้วครับรู้ให้ทันในความอยากแล้วก็อย่าไปทำตามมัน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 กายเนะยนะมันไม่อยากความอยากมันเกิดขึ้นที่จิตที่ความคิดพอเราไม่สนใจในอารมณ์ของความอยากใ น, นความคิดที่จะอยากเนะี่ยอาการเหล่นานั้นก็จะหายไปอย่าไปทำตามถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็รู้จักต่อรองเขาบ้างต่อรองอะตอนนี้ยังไม่ทำตาม อ, อ, อะเอาไว้ตอน้สายตอนกลางวันตอนเย็นๆน็นฝึกเกี้ต่อรองเขาบ้างอย่าตกเป็นทาสรับ ให้เป็นนายเขาสักการต่อรองแต่ละครั้งเนี่ยสติมันเกิดมันได้ปฏิบัติธรรมฝึกเที่จะต่อรองมันไม่เที่ยงหรอกความอยากมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอเวลาล่วงเลยไปแล้วพิมก็หายเมื่อทีก็ลืมลืมอยากถ้าเราไปทําตามความอยากเช่นเราอยากจะดื่มสุดาพอเราไปดื่มทําตามความอยากแล้วก็ไปดื่มพอดื่มแล้วมันก็ติดเ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 ต่อพบต่อชาติมันก็ไม่สิ้นสุดมันมีนการสร้างความเคยชินที่จะโกรธที่จะหงุนหงิดแม้แต่อารมณ์ไม่พอใจเล็กน้อยเราต้องรู้จักที่จะมีสติรู้ทันแล้วก็เอาชนะให้ได้โดยที่ไม่ต้องทําตามเราก็ไม่ต้องไปสร้างพบสร้างชาติต่อเวรต่อภยัยต่อไปสําคัญนะความโกรธมันทําให้เราตกนรกตกอบายภูมิ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 ที่จรมาสู่จิตชั่วคราวคำว่าแขกเนี่ยเขาอยู่ไม่นานหรอกเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปจิตผู้รู้เนี่ยคือสติเนี่ยมันก็ทำหน้าที่รู้ไว้เฉยๆอย่าเอากิเลสเป็นเราอย่าเอาตัวเราเป็นกิเลสให้มันแยกๆ ก, กันจิตก็จิตกิเลสก็คือกิเลสใช่ไหมกิเลสคือนามธรรมาสตินี่ก็นามธรรมา อจินี่ก็นามมาทำใมนี่แหละการจิสติคือเอานามดูนามเอาจิตดูจิตเอาสติดูจิ ต, อ, ต, จตอันนี้เป็นภาษ า, ษาธรรมความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสที่จริงเขาก็เป็นครูของเราได้เหมือนกันนะกิเลสเนี่ยก็คือครูของเราคือมาสอนจิตเราให้รู้จักเท่าทันในอารมณ์เท่าทันในกิเลสไม่ให้ยึดติด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 จะไปสุกติหรือทุกติไม่ต้องไปสงสัยดูอารมณ์ปัจจุบันนี่ถ้าเราเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงแล้วก็มันตกแล้วในปัจจุบั น, นไม่ต้องรอไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทั น, นอาการเหล่านี้นในความโลภความโกรธความหลงรู้ทันแล้วก็ไม่ทำตาม เ, เราปิดประตูมันได้เลยหัวเลาะเยะกิเลสได้กิเลสคือ น, นา ม, มาทํา สติผู้รู้นี่คือนานมธรรมไม่ใช่เราต้งคู่เลยเป็นเรื่องของธรรมชาติกับธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เรามารู้ตรงนี้ให้รู้ตรงที่กายที่ใจการมีสตินี่แหละมีประโยชน์มากสติเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์และความคิด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 ทำไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บสภาวะของความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเต็มขึ้นเองจิตใจเราจะเต็มด้วยความรู้สึกตัวกิเลสก็จะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องมีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วก็อยากจะปฏิบัติสร้างศรัทธาขึ้นในจิตใจเราเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะมีความเพียรต้องมีความอดทนทำให้ต่อเนื่องทำให้ต่อเนื่องนานๆนาน มันหลงแล้วก็แล้วไปเราก็เริ่มต้นใจรู้สึกตัวใหม่ทำให้ถูกวิธีทำสบายๆนะอย่าไปเคร่งเครียดยิ้มยิ้มจิ้สติแบบยิ้มยิ้มใจจะเป็นปกติจะเป็นกลางนี่แหละคือทางสายกลางเป็นทางที่สะดวกสบายนะขอให้เราปฏิบัติจิตสติสืบต่อไป